เดี๋ยวนี้หลอกมิจฉาชีพนี่ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีวิธีการแปลกๆบางทีก็สามารถที่จะหลอกหาประโยชน์จากเหยื่อได้โดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาอย่างระยะหลังเนี่ยนะก็มิชฉาชีพจานวนมากก็มันในรูปของแก๊ง call center นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนใช้โทรศัพท์มือถือกันมากก็เปิดช่องให้ มิจฉาชีพนี่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นแล้วคนก็พาธาเสียทีนะให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมากทีเดียวอาจารย์ธงทองจันทรังสุขนะเป็นอดีตอาจารย์ที่จุฬาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะซึงกเกษียณมาได้หลายปีแล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ไลอยฟังว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมีเสียงโทรศัพท์ดังทางมือถือก็เปิดรับโทรศัพท์นะบอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงนะเป็นเสียงเทพบอกว่าบัตรเครดิตของคุณมีบัญชีค้างชำระสามเดือนสอบถามรายละเอียด บอดก้าอาจารย์หนุงทองก็เลยถามกลับไปว่าบัตรเครดิตที่ว่าค้างชำระเนี่ยไม่ทราบของธนาคารอะไรครับก็มีเสียงผู้หญิงตอบมาว่าธนาคารกรุงไทยค่ะอาจารย์หนุงทองก็เลยตอบไปว่าเนี่ย แต่ผมไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยเลยนะครับผู้หญิงก็ถามก็ไปวา่าคุณไม่เคยติดต่อธนาคารกรุงไทยเลยหรอคะอาจารหนุ่งทองก็ตอบว่าไม่เคยเลยครับว่าแต่ว่าเมื่อไรคุณจะเปลี่ยนอาชีพเสรท็ทีแล้วครับแล้วก็หัวเราะเสียงตอบผู้หญิงคนแรกคือว่า เปลี่ยนพ่อมึงเสกนะแล้วก็วางสายเลยจานทองทองได้ยินก็หัวเราะอารมณ์ดีนะแล้วก็น่าสนใจนะถูกดานะถึงพ่อเลยนะแต่ว่าจานทองทองนี่กลับหัวเราะนะอารมณ์ดี คนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าถูกด่าถึงบุพการีนี่ก็คงจะโมโหนะแต่ความโมโหหรืออารมณ์กโกรธนี่มันไม่ช่วยอะไรหรอกนะมันจะดีกว่านะถ้า่าเราโผเราะแทนนะหลายคนโกรธนะเมื่อถูกดา่าหรือว่า ถูกาพาดพิงถึงบุปการีเนียจะยิ่งโกรธนะีมันก็ยิ่งขาดทุนนะดีกว่านะถ้าว่าเราจะัวเร้ะนึกขำว่านึกขำที่ว่าเราซึ่งเป็นผู้ถูกหลอกนีนะ่แทนที่จะโกรธนะไอคนที่หลอกเรานี่มันกับโกรธกับโมโหเรา นะอันนี้มันก็ชวนให้ขำในเหมือนกันนะเรานี่เป็นผู้ถูกหลอกแท้ๆสมควรที่จะกโกรธนะแต่ว่าคนที่กโกรธคนที่กลับกโกรธนะี่คือผู้ที่มาหลอกเรานะนะเพียงแค่ทักว่าเนี่ยเมื่อไหรจะเปลี่ยนอาชีพสักทีละครับเนี่ยโกรธเลยนะหลุดมาเลยนะนะเปลี่ยนพ่อมึงสินะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะว่าเวลาเราจเจอใครมาต่อว่าเรามาด่าเราถ้าเราแทนที่จะโกรธนะแต่กลับนึกขำหัวเราะใช้อารมณ์ขันเนี่ยนะรับมือกับคำต่อว่าด่าทอเนี่ยอันนี้มันดีกับเราเยอะเลยนะ คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอถูกด่านี่ลืมตัวเลยนะโมโหอันนี้เรียกว่าขาดทุนแต่ถ้ารู้จักฝึกนะว่าเออใครเข้ามาด่าเราเรากลับรู้สึกขำนะจนอดหัวรา้ไม่ได้อันนี้มันดีกับสุขภาพจิตของเรานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องมันจะมีคำพูดที่มา กระทบกับเราได้ง่ายไม่ว่าต่อหน้าต่อตาหรือว่าผ่านทางข้อความบางทีข้อความหรือคำพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเนะี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นแท้แต่เรากลับโกรธนะว่ามันไปกระทบกับหรือขัดแย้งกับความคิดความเชื่อของเรา หรือว่าสวนทางกับความเห็นของเราเราก็เครียดเราเราก็หงุดหงิดได้ง่ายเนะี่ยวันละหลายครั้งแล้วก็วันแล้ววันเล่าถ้าเราฝึกนะให้เรารู้จักมีอารมณ์ขันบ้างนะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะอันี้มันก็น่าคิดนะทำไมมิจฉาชีพเนี่ยนะ จึงโกรธนะจึงโกรธอาจารย์ทงทองนะเพียงแค่ทักอย่างสุภาพว่าเนี่ยเมื่อไรจะเป็ีนอาชีพสักทีละครับโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะถูกรู้ทันพอถูกรู้ทันเขานี้โกรธเลยแล้วทํามอาจารย์ทองทองถึงรู้ทันนะเพราะมีสตินะ คนธรรมดาเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยนะพอเจอคมพูดประโยคแรกว่าบัญชีค้างชำระบัตรเครดิตงคุณมีบัญชีค้างชำระสามเดือนเนี่ยก็ตกใจแล้วเฮ้ยมันค้างชำระได้ยังไงเราจ่ายทุกเดือนเลยพอตกใจเข้าเป็นไงผีพ ร, พรามกดเลขเก้านะด้วยความตกใจนะ ไม่ได้สอบถามให้แน่ชัดว่าบัตรเครดิตของธนาคารอะไรนะแล้วพวกสิบแปดมงกุฎนี่เขาก็รู้นะว่าจะพูดชัดเจนไม่ได้เนี่ยก็ต้องพูดกว้างๆนะบัตรเครดิตของคุณเนี่ยมีบัญชีค้างชำระถ้าเรามีสติหน่อย เ, อเราก็ต้องสอบถามก่อนนะว่า บัตรเครดิตของธนาคารอะไรเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยหรือคนจำนวนมากเนี่ยพอเจอประโยคนี้ก็ตกใจแล้วขาดสติไม่สอบถามให้แน่ชัดก็กดไปเลยนะั้นเลขเก้านะก็เสร็จเท่าเลยนะคนที่ถูกหลอกเนี่ยจะเรียกว่าร้อยทั้งร้อยก็ได้นะเพราะว่าขาดสติ ขาดสติเพราะอะไรเพราะความตกใจบ้างบางทีเพราะความโลภ ก, ก็มีนะพวกสิบแปดมงกุฎเนี่ยบางทีก็ใช้ความโลภมาล่อลอกพอคนเกิดความโลภขึ้นมาเนี่มันขาดสติเลยขาดความยั้งคิดแต่ถ้าเามีสติสักหน่อยนะเออเราก็จะสอบถามว่าธนาคารอะไรพอสอบถามเขาก็จะรู้เลยนะว่าที่โทรมาเนี่ยนะ เป็นพวกสิบแปดมงกุฎเป็นพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็ไม่ยอมไม่เขาหลอกได้พูกเขาดีๆไม่ต้องโกรธเพราพูกเขาดีๆแบบรู้ทันนี่เขากลับโกรธแทนก่อนแล้วก็มาด่าว่าเจอวันนี้ก็ต้องอารมณ์ดีต้องนึกขำนะว่าให้เราเป็นฝ่ายเสียหายแท้ๆเนี่ยเขามเป็นฝ่ายเสียหายเลยนะเขากลับโกรธนะอ นั่นเองก็เป็นตัวอย่างนะว่าเดี๋ยวนี้นี่ไการมีโทรศัพท์ ม, มือถือนี่มันก็มีความเสี่ยงมากเลยในแง่หนึ่งมันก็ทําให้เราติดต่อใครได้ง่ายขึ้นต่อคนรู้จักได้ง่ายขึ้นแต่ในแง่หนึง่งไอ้คนที่ไม่รู้จักเรามันก็สามารถติดต่อเราได้ง่ายสะดวกเหมือนกันนะโดยเพราะผู้มิจฉาชีพเนี่ยโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ก็ ก, กลายเป็น ช่องทางให้พวกมิจฉาชีพนะเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นไม่มีเวลาเ่เวลาเลยอนี้ยังไม่ต้องพูดถึงพวกที่มานะโฆษณานะขายของเดี๋ยวนี้ก็มามากมายนะทางโทรศัพท์มือถือตัวนั่งคนไม่อยากจะรับสายถ้าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักหรือเป็นเบอร์ที่ไม่เคยเห็นนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ ต้องยอมรับนะแล้วก็ต้องตระหนักระมัดระวังว่าสิ่งที่ให้ความสะดวกกับเรามันก็สามารถจะเป็นโทษหรือเป็นภัยกับเราได้แัะการใช้โทรศัพท์มือถือนี่มันต้องมีสติมากเลยถ้าไม่มีสติก็พาทาเสียชีได้ง่าย